ต่อเลยนะสัตตาโพชังคาโพชงเนี่เพราะอัตถาว่าองค์แห่งธรรมะสามารถีเครื่องตรัสรู้ถ้าโพชงทั้งเจ็ไม่สามารถีกันเนี่ยนะการตรัสรู้ก็มีไม่ได้เพราะความที่ทำทั้งเจประการเนี่ยนะองแห่งกุศลธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาประชุมกันจึงทําให้เกิดการตรัสรู้หรือทําให้เกิดการบรรลุอริยมรรคขึ้น ธรรมะสามัคคีของบุคคลผู้ตรัสรู้ใครที่จะตรัสรู้ได้จะต้องมีธรรมะเจ็ดประการเนี่ยเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถตรัสรู้ได้พระอริยาสาวกย่อมตรัสรู้คือออกจากกิเลสนิทราหลับด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยนะแล้วก็แทงตลอดอริยสัจสี่ออกจากกิเลสแทงตลอดอริยสัจทาให้แจ้งเฉพาะพระนิพพาน ด้วยธรรมะสามขีใดถ้าไม่มีสติธรรมะวิจยะวิริยะปีติปัสสัททิสมาธิและอุเบขาการแทงตลอดอริยสัจก็มีไม่ได้ที่จะตื่นจากกิเลสนิทราก็ไม่ได้ที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานก็ไม่ได้ดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นนิยานิกรธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากจากทุกเป็นธรรมะที่นาให้แทงตลอดพระนิพพาน แล้วโพชงทั้งเจ็ดประการเหล่านี้เป็นปฏิปักต่ออันตรายเป็นอนเอกอนกนะคือเป็นปฏิปัติต่อสิ่งที่ขวางกีดกั น, นนะทำให้ไม่เจริญงอกงามโพธิปัจจยธรรมนี้กำจัดอุปัวะอันตรายเหล่านี้กำจัดอะไรบ้างล่ะการตั้งอยู่ในวัตะนนะตั้งอยู่ก็คือทำให้ทนอยู่ได้ในวัตตะนี่อายุหณะประมวลมาซึ่งวัตตะ ความหดหู่ความฟุ้งซ่านก า, าการกากามสศุขลิกานุโยกอัตกิลัมฐานุโยกอุดเฉททิิสัสสตทิิเป็นต้นขณะที่เกิดขึ้นในขณะโลกุตระธรรมสามมคีทั้งเจ็ดประการนั้นเรียกว่าโพธิเพราะอะไรเพราะเป็นองค์ที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ตรัสรู้อริยสัจแทงตลอดพระนิพพานกําจัดกิเลสเป็นอเนกประการเกิดขึ้นในขณะโลกุตระมัก โพ่อชงเพราะเป็นองค์แห่งเครื่องตรัสรู้หรือธรมธรมธรรมะสามัคคีที่ทําให้ตรัสรู้เรียกว่าเป็นองค์ก็เพราะเหมือนกับองค์รถองค์มร์เป็นต้นชื่อว่าพ่อชงแม้เพราะเป็นองค์แห่งพระอริยาสาวกผู้ตรัสรู้นะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ตรัสรู้เรียกว่าโพธิเพราะวิเคราะห์ว่าตรัสรู้ด้วยธรรมะสามัคคีมีประการดังกล่าวแล้วเหมือนกับเสนาที่เสนาเขาก็มีองใช่ไหมรถก็มีองค์ของรถฉันใด ผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจจะต้องมีธรรมะที่เป็นองค์ที่ทำให้ตรัสรู้นะดูนะสติธรรมะวิจยะวิรยิยะปีติปสัสสติและสมาธิและอุเบขาองค์ทั้งเจ็ดประการนี้ทำให้เกิดการตรัสรู้ตัวที่ทำให้ตรัสรู้มีตัวเดียวตัวตรัสรูนะ้นันคือธรรมะวิจัยตรัสรู้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าขาดองค์ประกอบละ่ะ ไม่ได้เนี่ยนะองค์นี้ทำให้เกิดการตรัสรู้ด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าชื่อว่าโพชฌงค์ก็คือองค์แห่งบุคคลผู้ตรัสรู้หรือบอกว่าชื่อว่าโพชฌงเพราะเป็นไปเพื่อธรรมะสามคาีเครื่องตรัสรู้ท่านบอกว่าให้เจริญโพชฌงแต่ละอย่างแต่ละอย่างตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้ใช่ไห เจริญสติสัมโพชฌงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละมันการเจริญสติสติที่เกิดขึ้นตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้ธรรมวิจยะที่เกิดขึ้นการวิจัยธรรมก็ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะวิริยะความเพียรที่ประกอบก็ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้ปีติในกุศลธรรมก็ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้ ปรสสัทธิความสงบระ ง, งับสงบทางกายและใจก็ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้จิตที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิก็ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้อุเบกขาการวางใจก็ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้อริยสัจต่อไปรัตนะในธรรมวินัยนี้คือ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก่อนหน้านี้เราพูดรัตนะนะรัตนะเครื่องทำให้เกิดความยินดีคือสติปทานสัมมาปทานอิธิบาตอินทรีสีพระละโทษชงนี่มาขึ้นองค์มรรคอริโยอัตถังกิโกมักโคชื่อว่าอริยะอริยะแปลว่าอะไรความหมายเพราะไกลาจากกิเลสอันมรรคนั้นพึงฆ่า เช่นโซดาปฏิมักก็ฆ่ากิเลสของโสดาปติมักสกะธาคามีมักเป็นต้นก็ฆ่ากิเลสของตนของตนหรือชื่อว่าอริยะเพราะทําความเป็นอริยะถ้าไม่มีอริยมัคเหล่านี้นะปุตตชนจะเป็นพระอริยะไห ม, มเป็นไม่ได้ก็เพราะมีอริยมักเหล่านี้นี่แหละทําให้บุคคลทั่วไปกลายเป็นพระอริยะบุคคลถ้าไม่มีคุณธรรมแปดประการเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยะบุคคลได้ หรือชื่อว่าอริยมรรคเพราะให้ได้อริยผลอริยผลมีอะไรบ้างโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลมรรคเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ผลชื่อว่าอัตถังขิกมรรคเพราะมรรคนั้นมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งองค์นั่นแหละชื่อว่าอัตถังขิกะชื่อว่ามรรคความหมายของคําว่ามรรคนะมรรคมรรคเนี่ ย, เ, ยเพราะฆ่ากิเลสทั้งหลายให้ตายไป เนี่ยฆ่าแล้วไม่บาปนี่ได้บุญอย่างเดียวก็ฆ่ากิเลสนี่แหละฆ่าไปเถอะความโลภเนี่ยจะไปอะไรอาวบมันเลยเนี่ยนะความโกรธเนี่ยประหารมันได้ก็ฟันมันเถิดอย่าไปอนุรักษ์นิยมอะไรไว้เลยความลุ่มหลงด้วยยิ่งวู้ต้องรีบทำลายให้เร็วที่สุดเนี่ยนะความโง่เขลาทั้งหลายเนี่ยฆ่าแล้วไม่บาปนะฆ่าอะไรแล้วนอนเป็นสุขก็คือฆ่าความโกรธเป็นต้นฆ่าแล้วสุขอย่างเดียวก็คือฆ่าโมหะพันมักเนี่ย เพราะฆ่ากิเลส ท, ทั้งหลายให้ตายหรือเพราะผู้ต้องการพระนิพพานต้องสแสวงหาสมมติว่านิพพานมีอยู่ก็เหมือนกับว่าอะไรนะสถานที่เกษมมีอยู่ถ้าผู้ใดไม่เดินทางเนี่ยโทษสถานที่ได้ไหมไม่เดินทางเพื่อให้ถึงความเกษมนั้นพระนิพพานอริยมรตเนี่ยใครที่ต้องการพระนิพพานต้องเจริญ หลายคนก็บอกว่าเข้าปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่เจริญมรรคอะไรเลยเขาบอกเขาจะถึงนิพพานแล้วเขาจะมีความสุขเขาจะถึงความเกษมถึงความปลอดภัยเขาจะถึงความไม่มีอันตรายแต่โดยที่เขาไม่มีมรรคแปดเป็นไปได้ไหมอันมรรคแปดนี่แหละใครที่ต้องการพระนิพพานต้องสแสวงห า, า, าก็เพราะว่าพระนิพพานนี่เป็นความสงบทุกสงบวัตตาทั้งหมด ที่จะสงบได้ก็อาศัยมรรคแปดเป็นเครื่องดําเนินเมื่อถึงพระนิพพานแล้วจึงจักสงบได้หรือธรรมชาติของอารยมรรคเนี่ยสภาวะของเขาเองเนี่ยสแสวงหานิพพานถ้าเขาครบองแปดเมื่อไหร่เขาจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นเขามีอย่างอื่นไม่ได้จะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเรียกว่าสแสวงหานิพพานอันนี้ก็ดูนะว่ารัตนะเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ทําให้เกิดความยินดี ถ้าผู้ใดได้รับความยินดีจากสเติปทานสัมมารประทานอิทธิบาทอินทรพละโพชิ์ชงองมักบุคคลเหล่านั้นก็ควรที่จะเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ถ้ายังละ่ะก็ทําายสมัครให้เสร็จก็แล้วกันเนี่ความอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้ได้กี่ข้อแล้ะ ได้กี่ข้อแล้วในเจข้อแล้วมาดูข้อที่8หน้า528ย่อนหน้าดูก่อนภิกูุ์ทั้งหลายธรรมวินัยนี้เป็นที่ทำนักอาศัยสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ ใ, ในธรรมวินัยนั้นสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆเหล่านี้คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลธ์ พระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามีผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ในมหาสมุทรนั้นสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ใหญ่เหล่านี้คือปลาติมิปลาติมิงคะะปลาติมิติมิงคละ อสูรนาคนทันแม้ที่มีร่างกายใหญ่ประมาณร้อยโยต2 0 0งยโยตาอยโยต์ส0รอยโยต500ร้ยโยตดูก่อนพิสูนทั้งหลายแม้ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่รำนักอาศัยสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ ใ, ในธรรมวินัยนีน้มีสิ่งที่มีชีวิตใหญ่หญเหล่านี้คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิพลให้แจ้ง พระสกทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกธาคามีผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามีผลพระอรหันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันนี้ก็เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่แปดในธรรมะวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมะวินัยนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีธรรมะอันหน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8ประการที่พิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีในธรรมวินัยนี้น่ายินดีนะธรรมวินัยนี้มีบุคคลจะยิ่งใหญ่อยู่เยอะมากผู้ยิ่งใหญ่ก็คือเขบอกว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาอริยทรัพย์เป็นต้นเป็นเครื่องวัดท่านผู้มีศรัทธามีศีลจนถึงท่านผู้ทําให้แจ้งโสดาปฏิปลไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ เชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ใหญ่จริงๆนะบุคคลเหล่านี้ถ้าตั้งความปรารถนาเนี่ยถ้าเข้ามาเกิดอีกก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นระดับพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นเป็นเทวดาทั้งหลายก็เป็นเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่เพราะในธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะศักย์ผู้ผู้ใหญ่จริงๆ ในอัตถกถาหน้า544ย่อหน้าล่างบดว่าโสตาปันโนได้แก่พระอริยบุคคลผู้ถึงคือบรรลุ ก, กระแสกล่าวคืออริยมรดำรงอยู่อธิบายว่าผู้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลคือเจริญมรดแล้วอันนะั้นอริยมรดก็ให้ผลเป็นอริยผลบดว่าโสตาปฏิภละสัชิกิริยายาปฏิปันโนได้แก่พระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมมรด ผู้กำลังปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้ประจักษ์แก่ตนซึ่งเรียกพระอารยบุคคลที่8ก็มีพระอารยบุคคลนี้เขาบอกว่าที่8ที่7ดที่หที่5ที่4ที่สมที่สองและที่1ที่1คือใครท่ารหันที่7ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งพระอรหันต์ก็คืออรหัตตมรักษ์ท่านโสดาปฏิมรักษจึงเป็นบุคคลที่8ปดนะใครว่านับจากล่างสุดนะล่างสุด สูงสุดคืออรหันต์ใช่ไหมมรรคสี่ผลสี่ก็เป็น8ดพอดีเพราะฉะนั้นอรหันตผลเนี่ยถือว่าสูงสุดเป็นบุคคลที่หนึ่งชั้นหนึ่งเหมือนกันเหนึ่งคือสูงสุดเอายอดเขาว่าเลยนะเขาว่าหนึ่งของเรากับท่านไม่เหมือนกันหนึ่งของท่านคือเอาที่ยอดนับยอดแล้วไล่ลงมาเรื่อยๆบุคคลชั้นล่างๆเรียกว่าที่8ดเนี่ยนะเรียกว่าระดับที่8ดใช่ไหมบทว่าสะกทาคามีได้แก่พระอริยบุคคลผู้ดํารงอยู่ในผลที่สอง ผู้ที่จะมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นโดยการถือปฏิสนธิเนี่ยนะมาฝากคันไว้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะฝากท้องครั้งเดียวพอแล้วถ้าพระอนาคามีแหละคือพระอริยบุคคลผู้ดํารงอยู่ในผลที่สมผู้มีปกติไม่มาสู่การมาโลกโดยการถือปฏิสนธิจะไม่ปฏิสนธิในการมาภูมิอีกเลยแต่ถามว่าท่านมาไหมบอกมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้น ก็การจำแนกพระอริยะบุคคลอย่างนี้ว่าสัทธานุสาวรีธรรมานุสาวรียเอกพิชีโกลังโกระสัตตคตตุงอะไรเป็นต้นเนี่ยนะท่านบอกว่าเคยกล่าวมาแล้วหรือไม่ไปดูที่อื่นเอาก็แล้วกันแต่สรุปว่าธรรมวินัยนี้มีพระอริยอยู่มากมายเนี่ยนะมีพระอริยะสมบูรณ์ด้วยพระอริยะทั้งหลายอันนี้คือความน่าอัศจรรย์ของอธรรมวินัยนี้สรุปนะธรรมวินัยนี้ น่าอัศจรรย์อย่างที่หนึ่งคือ 1. มีการศึกษาไปโดยลำดับนนะอย่างที่สองพระสาวกของพระองค์ไม่ล่วงละเมิดศิกษาบทที่บัญญัติพระเหตุแห่งชีวิตสสงไม่อยู่ร่วมกับผู้ทุศีลอย่างที่สผู้ใดบวชจากวันณะใดก็เป็นสมณะสักยะบททั้งนั้นห นิพพานธาตุไม่รู้ว่าพร่องหรือเต็ม 6. ธรรมวินัยมีรถเดียวคือวิมุติรถเจธรรมวิ น, ยนัยมีมีรัตนะมากมายคือโพธิปัจิยธรรม37เแล้วก็ปเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่คือพระอริยะทั้งหลายหลังจากนั้นพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วทราบเนื้อความกล่าวคือไม่มีธรรมะเครื่องอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ทุศีล เพราะบุคคลผู้ทุศีน์ประดุดซากสัตว์ตายในพระธรรมวินัยนี้ของพระองค์มันพระพิสูรรูปนั้นที่นั่งอยู่ใช่ไหมก็เหมือนกับซากสัตว์ตายเท่านั้นพระองค์ก็เลยอุทานแสดงสาเหตุแห่งการจําแนกบุคคลผู้ไม่สมควรอยู่ร่วมกับสงและผู้ที่สมควรอยู่ร่วมกับสง์กับผู้ไม่สมควรอยู่ร่วมกับสง์พระองค์ก็ตรัสว่าฝนคือกิเลสย่อมรั่วลดสิ่งที่ปกปิดย่อมไม่รั่วลดสิ่งที่เปิด เพราะฉะนั้นเพิ่งเปิดสิ่งที่ปกปิดเสียฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรดสิ่งที่เปิดนั้นอย่างนี้ฝนคือราคาเนี่ยนะย่อมรั่วรดสิ่งที่ปิดแต่ไม่รั่วรดสิ่งที่เปิดเปิดในที่นี้คือแสดงอาบัตินั่นเองอัตถกถาหน้า545ย่ห้าย่อหน้าอธิบายว่าบทว่าฉันนะมะติวตัตติความว่าภิกษุต้องอาบัตแล้วปกปิดเอาไว้ย่อมต้องอาบัตตัวอื่นใหม่อีก เช่น ว, ว่าสมมติถ้าวันนี้ปิดต้องอบั้นะปิดไว้คือไม่ไม่ยอมแสดงอะ่ะพรุ่งนี้เป็นเพิ่มอีกมันจะเริ่มเนี่ยบวกขึ้นบวกบวกบวกบวกกมีแต่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยนะไม่มีลดมันยิ่งปกปิดยิ่งเพิ่มเหมือนอะไรนะเหมือนดอกเบี้ยสมมุติถ้าเรามีหนี้สินใช่ไหมเราไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในที่สุดก็มาทบต้นแล้วก็บวกขึ้นบวกขึ้นแล้วก็ทบต้นบวกขึ้นลักษณะเนี่ยมันพิสูจน์ที่เป็นอบั้นไม่ทําคืนก็ลักษณะนั้น เพินต้องอบัตตัวใหม่เพิ่มอีกต้องอบัดมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝนคืออบัตได้แก่ฝนคือกิเลสย่อมรั่วรดมากอย่างนี้ด้วยประการเชนนี้สรุปว่ามีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นลักษณะนั้นถ้าไม่ยอมกู้นะเออขอไปถ้าไม่ยอมจ่ายเหมือนชาวชนบทหลายแห่งเนี่ยเขาเขาไปเขาไปกู้กู้สตังเนี่ยนะสมมติว่าร้อยละสมหรือร้ยละสิบเนี่ยขาก็ไปกู้มา ก็ไม่ยอมใช้ปีหนึ่งแล้วนะดอกเบี้ยมันก็มาทบต้นนับเป็นต้นแล้แล้วก็เพิ่มขึ้นไม่ไม่กี่ปีเนี่ยนะหมดบ้านหมดนาเลยเพราะอะไรเพราะดอกเบีย้ยทบต้นในลักษณะนั้นนะนะโบราณเนี่ยยุคก่อนๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันก็น่าจะยังพอเหลืออยู่เพื่อนอาบัตทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันถ้าเราเป็นตัวหนึ่งนะแล้วเราไม่สนใจแล้วก็เดี๋ยวก็เพิ่มปริมาณขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจนไม่สามารถเจริญงอกงามในศาสนานี้ได้ บทว่าวิวัตังนาติวสติความว่าภิกษุผู้ต้องอาบัตแล้วไม่ปกปิดอาบัตนั้นเปิดเผยคือประกาศแก่เพื่อนพรหมจรรย์กระทําคืนคือออกจากอาบัติตามธรรมตามวิไนเนี่ยนะคือหมายความว่าเป็นอาบัตแล้วก็แสดงคืนซะอาบัตบางอย่างก็ถ้าเป็นปราชิกก็แสดงคืนด้วยศึกไปเป็นสัมมาเนรหรือเป็นคาราว่าถ้าเป็นสังขารที่เสดก็อยู่ปริว่าถ้าเป็นอาบัตล่างๆก็แสดงคืนไป เปิดเผยตามเป็นจริงตามเพื่อนสะพรมจารีก็ไม่ต้องอบัตตัวอื่นใหม่เพราะเหตุนั้นฝนคืออบัตฝนคือกิเลสที่ภิกษุนั้นเปิดเผยแล้วย่อมไม่รั่วรถอีกก็เพราะเหตุที่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงเปิดคือประกาศอาบัตที่ปิดที่ปกปิดไว้อย่ามาเก็บอย่ามาซ่อนไว้อย่างนี้เลยถ้าเป็นแล้วก็ทาคืนเธอบทว่าเอวันตังนาติวสติความว่า เมื่อเป็นอย่างนั้นสนคือกิเลสย่อมไม่ทําลายอัตภาพแล้วรั่วรสคือไม่เปียกบุคคลผู้ต้องอาบัตินั้นอธิบายว่าบุคคล น, นั้นไม่ถูกกิเลสรั่วรสอย่างนั้นเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะศีลวิสุทธิใช่ไหมใจตั้งมั่นอันนี้อะไรจิตตวิสุทธิพิจารณาเริ่มตั้งวิปัสสนาพิจารณานี้ก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นจนถึงญาณทัศ น, นวิสุทธิย่อมบรรลุถึงพระนิพพาน โดยลำดับเพราะฉะนั้นเปิดเผยเนี่ยนะก็คือสีนั่นแหละสีนี่นับว่าสำคัญมากนั้นก็ก็ความในอุโบสถสูตรก็จบเพียงเท่านี้